แนีนนวนปฏิบัติทำแบบนี้นีให้ปฏิบัติเนี่ยอสควรมีใจอยากจะเล่าให้เพื่ให้เจ้าหน้าที่มัถ้าด่วนจะเป็นแบบไหนบ้างหรือไทยาจะถามสิ่งที่สงสัยแก็ได้นะ อ่นถามเรื่องอื่นนิดนงได้ไหมร่อะไรตอนที่แล้วที่เปิดวิดีโอที่การเดินทางครั้งท้ายของโปรเจกต์ของผมฉันได้อยู่ข้าชั้านตั้งแต่คืนก่อนที่ท่านจะไปจนกระทั่งท่านไปใช่ไห ท่านอาจารย์ชิเก้นนี่ยทุกเวทนาทางกายทางใจแล้วพระอาจารย์ได้ช่วยส่งจิตตัองน้อนงนำจิตท่านอะไรอย่างไรบ้างก็ถ้าแยกเรื่องของกายก็เนื่องจากโลกอาจารย์มันถึงระยะสุดท้ายมากมา ก, มากแล้วก็เหมือนคิดว่าภาวยวัตต่างามันมัน ัเสื่อมมากมากอันนั้นเวท น, นาทางกายของใจของคนถือว่ามากมากเพราะมากในความเจ็บปวดอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จะเป็นเรื่องความติดอัดแน่นเพราะว่ามันพอเป็นโลกมันเอ็ที่ตับมันมีน้ำมันออกมาในช่องค้องอะไรเยอะมากเลยสิดอับมันถ้าแต่ก่อนถ้า พอได้รับายในการถ่ายอะไรหรือดีทอกก็ใช่มันก็มันนองขึง้นหรือว่าได้ยาที่มันช่วยช่วยขับน้ำเข้าไปในเลือดแล้วก็ออกไปมันก็ดีขึ้นแต่ตอนท้ทายแล้วมันเสื่อมจนยา ก, กี่ช่วยนไม่เคยได้มันก็ได้ท้ออาจารย์ญญกางวลหรือว่าทรมานทางการยแล้วก็ถ้าพูดจริงๆก็คือ ท่านก็แสดงลักษณะที่ที่ทุกขรมานทางกา ย, ยเยอะพอสมควเยอะเลยแหละนะแต่ทางใจท่านจะไม่ได้โวยวายไม่ได้กดค่วนอะไรมากมายถ้าจะพูดแต่ประมาณว่าถือว่าพอไม่มีมีใครพอจะช่วยผมได้มากกว่านี้บ้างเนะไรปมานั้นคื อ, พอเพราะด้วยข้อจำ ก, กัดทางกายของท่านด้วยนะแล้วก็โรคที่มันหนัก มาด้วยทางผู้ดูแลก็มีทางหมอก็ดีก็ดูแลเท่าที่เต็มที่แล้วทั้งแทนทางเลือดทั้งแทนปัจจุบันนะฉะั้นเวาทางกาการนี่เยอะมากนสุดท้ายก็มมีใครช่วยได้ก็ได้แค่แบบเท่าลูกคำคาที่มันดูสบายเพื่นิดนึงแต่พอถึงจุดหนึ่งก็ไม่ต้อเก๊ะจิแบบไรน่นะแต่ถ้าค้ณมาเกณ่์ พอสูงชิดหนึ่งแล้วมันเหมือนเวทนามากๆากมากแล้วมั น, มนดับไปเลยนะมันถึงเวทา น, นาลำไกที่เคยเห็นแบบนอนนอนแบบอยู่ไม่เป็นสุข ด, ดิ้นไปดิ้นมาหรือว่านั่ง น, นี่ไม่ดับแต่พอสูงชิดนึงมันเหมือนก็ก็ไม่ไม่แสดงท่าที่ดิ้นโดดอย่งนั้นแล้วก็ดับก็นอนดับแม้ตื่นขึ้นมาอีกก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่า มันเจ็บปวดทรมานทางกายแล้ก็เลยไม่รู้ว่าพอมาทุกข์มากๆมันก็เลยไม่ทุกข <c oughs> ์มันไม่ไมันไ ม, ไม่ไม่เจ็บปวดทรมานแล้ตอนนั้นก็การหายใจก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้ น, แ, นแล้วก็ค่อยๆแผ่วลงจนจนดับไปส่วนเรื่องทางใจอย่างจคนมาเชื่อว่าท่านขิตทัานสูงอยู่แล้วนะจิตท่านสูงอยู่แล้ว ไม่จะเป็นต้องช่วยทางใจก็ได้แต่ถ้าพูดอีกอย่างเราก็ไม่รู้ว่าคําว่าสูงคือมันถึงที่สุดหรื อ, อยังมันก็ไม่รู้นะนะพูดตรงตๆก็แต่เชื่อว่าจิตท่านไม่ตก ต, ต่ำลงไปในอภายอย่างเงี้ยแน่นอนแต่ตอนนี้ถ้าคนที่จิตสูงระดับนั้นก็ที่จริงไม่จะเป็นต้องให้ใครมาประคองจิตในช่วงก่อนจะตายก็ได้ แต่ถ้าแต่มาก็พูดอยู่บ้างในส่วนที่สมที่ก็ที่หลวงพ่อเขียนเจตสอนอาจารย์ตนก็ศรัทธาดีสิ่งที่หลวงพ่อเขียนสอนในเรื่องความไม่เป็นอะไรแต่อะไรของทุกอย่างนเรื่องการปล่อยวางทุกอย่างก็เผื่อว่าอาจารย์อยู่ที่สุดอยูแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดแต่ถ้ายังไม่ถึงที่สุดได้ได้ปล่อยวางในช่วงสุดท้ายมันก็ไม่ต้องเกิดกันเกิดอีกประมาณนั้น เขพูดอย่างน้นะแต่ไม่ใช่ว่าพูดเพากลัวว่าท่านจะจิตตกอะไรนั้นนะไม่ใช่เพราะว่าในตอนนั้นก็มีมีบางคนก็มาพูดในธรรนองว่าเหมือนอยากให้ตัา ม, มาก็ดีช่วยช่วยจัดการสภาพแวดล้อมตรงนั้นเช่นไม่อยากให้ใครไปพูดกับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ได้ฟังคงพูดเขาเขาขอตํา ม, มาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะคิดมากเดยวอาจารย์จะจะไม่ปล่อยวางอลไรนะ่นแต่แต่มาว่า จำไม่เป็นแบบนั้นดอกถ้าใครจะมาขอคนมาก็จะมาพูดสั่งลาจานก็ก็พูดได้เพราะจานผกไม่ได้เป็นยึดติดอะไนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าคนทั่วไปเหมนะว่าก็บางคนก็ต้องดูถ้าใครที่แบบจิตจิตหมานถึงว่าคนป่วยเนาะจิตไม่ค่อยพร้อมก็ต้องเลือกแต่คนที่คล้ายคนที่ชัดเรารู้ว่าถ้าคนที่เป็นพูดแล้วไม่ทําจิตก็ตกก็ต้องเกิดเป็นนั่นโอเค แต่ถ้าคนนี้ไปร้องไห้ไปข่กลัวอะไรนะไม่มีก็ไม่ดีต่อทั้งตัวผู้ป่วยนะกับต่อคนที่เข้าไปนนะั้ก็ไปช่วยแค่ตรง น, นั้นแต่ถึงที่สุดแล้วก็มาว่าก็ท่านก็ไม่ได้แสดงท่าทีกังวลหรือกลัวที่จะตายเพราะท่านก็ยอมรับตอนตายอยู่แล้วแล้วก็มันก็ดีในอย่างตายตอนที่เวทนาทางกายมัน มันก็่ท้าันตัดไปแล้วก็เลยไปแบบสะบกทั้งกายแล้วก็ทั้งใจก็ไปเหมือนเหมือนถ้าเปรีบที่เหมือนไปชายนะเปิดจนเกิดเปิดจนแบบ่หมดเลยนะดีจนดีจนตับไปของมันเองในวันนั้นแต่หน้าที่ถ้าใครได้อยู่ตรงนั้นถ้าใครมีสติดีก็ ดูถ้าเราถ้าผู้ป่วยบางคนเราจำเป็นต้องช่วยแล้วก็ต้องช่วยช่วยทางใจในการส่งไม่ต้องไปดีรวมทั้งอาจจะต้องช่วยคนที่อยู่ข้างๆให้บรรยากาศมันไม่คล้ายๆจัดบรรยากาศให้ผู้ป่วยไปดีด้วยแล้วก็อาจจะต้องดูแลคนที่อยู่ข้างๆแต่เนิ่น้องบางทีถ้าเราดูแลเขาไม่ดีนะเขาก็ร้องไห้เขาก็อะไรต่างๆก็ส่งผลต่อคนที่จะไปด้วย การเรียนรู้เรื่องการเรียกว่าอะไรเรียนรู้เรื่องการนำทางนำทางคนที่จะเสียชีวิตก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่แต่ของรัชยันคนหรือผู้ปฏิบัติ ท, ทําหลายท่านมันไม่ยากเพราะว่าเขามีของเก่ออยู่แล้วเขาพอทำเป็นอยู่แล้วแต่มันยากมากกับหลายเคสที่ไม่เคยทำาก่อน ไม่เคยเป็นปัจมาก่อนบทีไปบอกตอนนั้นมันมันก็ทําไม่ได้ตอนที่เวทนานหนะักหนาบที่ใกล้จะตาย ม, มันก็มันก็ยากนอกจากคนที่ที่จะเรียกว่าอะไรนะจะเรียกว่าเออเขาก็คล้ายมีสติปัญญาตอนนั้นนะ <c oughs> แต่มาต้อไม่คิดว่ามันน้อยถ้าถ้ามันไม่มีพื้นมาก่อน <c oughs> ไม่มีคืนมาก่อ น, นก็ยากที่จะค่อยวางยากที่จะเข้าใจทัศนนั้นการสําคัญจริงคือการก่อนที่จะก่อนที่จะถึงตอนที่ใกล้จะตายสําคัญกว่าถ้ามีใครมาส่งได้มันก็มันก็ง่ายหรือถ้าเขาทาดีอยู่แล้วเขาก็ระลึกของเขาได้เองก็ไม่ต้องมีใครช่วยก็ได้แค่จัดกบรรยากาศใี่มันไม่ไม่ต้อง้วนเขาหน้าก็พอแล้ว แต่ก็เห็นหลายคนอยู่ถ้าตอนยังไม่ใกล้จะตายมากตอนที่ป่วยมากๆนะบางทีตอนที่ป่วยมากเขาก็เปิดใจจะมีป่วยมากแต่ไม่ใช่แบะปุ๊บเกินไปนะถึงป่วยประมาทมากบางทีหลายคนเขาก็หาที่พึ่งหาที่พึ่งทางใจเอที่พึ่งทางกายก็พึ่งหมอพึ่งยาพึ่งการรักษาเพื่อไปก็ก็มีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมาเสริมที่พึ่งทางใจ เพราะว่าที่พิ่งทางใจนทําให้มอก ว, ว่าเวทนาทางกายก็ก็ลดลงได้อืถ้าใจเราเียนธรรมะ ก, ก็จะทําให้ทุกข์น้อยลงหรือเป็นยาทําให้โรคนั้นหายไปด้วยมันก็เหมือนธรรมะ ก, ก็เหมือนเป็นโอดๆอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นเหตุที่อาจจะทำให้หายหรือทําให้มันดีขึ้นถ้าคนสนใจธรรมะตรง น, นี้ก็ช่วยได้ระดับนึงแต่อย่าง ในวิดีโออาจารย์คนเขาพูดดีในแง่ว่าอันนี้มันเป็นแบบของสาหรับคนคนทัว่วไปนั่นที่ที่สนใจศึกษาธรรมะแต่มันมีอีกขั้นหนึ่งสําหรับผู้ที่มีธรรมะผู้ที่เข้าใจธรรมะแล้วมีทําไ ม, รรมะละเขาจะไม่ได้มองธรรมะเป็นเพียงแค่แค่แคยาแต่เขารู้ความจริงว่าที่จริงแล้วทุกอย่างมันเป็ น, ปนไปตามเหตุตามปัจจัยอันนั้น ใจมันจะยอมรับได้ว่าหายก็ได้ไม่หายก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้คำว่าอยู่ก็ได้ตายก็ได้ไม่ใช่ว่าอยากจะรนีตายคืออยากจะรนบหายนะไม่ใช่เลยนะคือก็ดูแลตัวไปตามเหตุตามปัจจัยมันเหตุปัจจยัยมันทำให้ตายก็ต้องตายเหตุปัจจยัยมันเพื้อให้อยู่ก็อยู่ไม่ใช่คนที่บางคน บางคนรนักกายมากเกินไปหมวงกายมากเกินไปหรือบางคนที่รู้สึกว่าแต่ก่อนนะมั่นใจในในการดูแลตนเองเยอะแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ตัเองไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้กาจจะเกิดการคิดที่ตกตะวันสารพัดนะเกงใจคนนั้นคนนี้ต้องมาดูแลเราไม่อยากให้เป็นภาระไม่อยากจนไหนอยากจะดนีตไา ไ, ไปก็เป็นถูกนะใช่ไหมเพราะว่า ถ้าเรามองชีวิตมันเป็นเพียงแค่ร่างกายกายที่มันทําอะไรไม่ได้แต่จริงมันก็เป็นแค่ร่างกายที่ทำอะไรไม่ได้แ ต, ต่จริงชีวิตจริงๆคืออะไรไปมีใจใจที่มันยังเป็นปกติดีอยู่ถ้าเรามีธรรมะยังมีใจที่มันอาใส่ร่างกายนี้อยู่ในการใช้เวลาเพื่อศึกษาธรรมะมากขึก้นน้อยกายอาจจะทำอะไรไม่ได้มาก แต่เราเหลือใจยังเหลือเวลาที่จะเอามาพัฒนาจิตใจให้มันเข้าใจความจริงมากขึ้นนั้นบางคนก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ป่วยมันเป็นช่วงเวลาที่แม้ร่างกายเราไม่สมบูรณ์แต่เราเป็นมีใจที่สามารถที่พัฒนาได้นั้นเนี่ยมันก็เลยไม่รีบคือไม่ได้เร่งการตายไม่ได้เร่งอะไรมันก็ตามเหตุตามปัจจัย นั้นคนที่มีธรรมะไม่จะไม่ฆ่าเพื่อตายมมมไม่ว่าจะเดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะโดยกิดหมายต่ออนุญาตหรือเปล่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะรู้สึกว่ามันก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องของกายที่มันทุกข์ทรมานนจะก็แล้วแต่แต่ใจถ้าเรามีธรรมะจริงใจก็ก็ยอมรับความจริงได้แล้วก็ไม่ไปปูนแต่งมากความนะบางทีเรา เกงใจคนนี้เรานั่นนี่นะที่จริงมันเป็นมันเป็นเหตุผลที่มันมันก็ไม่ใช่ความจริง <c oughs> แม้ความจริงมาจาจะใกล้เคียงแต่มันกไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปทำตามที่มันคิดเราก็ได้ <c oughs> <c oughs> มี กัวตายนะใส่ที่นี่กลัวตายกตัวไหมกัวกัวตายก็อะไรก่อนตายกัวก่อนตายจะตายเมื่อไหร่ก่อนจะตายเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวยังไงง่ายง่ายนะรถจะชนเลยนะครับตุ้มมีนจะตกเนี้ย อืก็เสียว um> uh> ่ะเสียวนากัวน่าตัวระยองกลัวตายกลัวมีเหตุกลัวกักลัวก่อนตายไม่มีหมายว่ามันก็การตัวตายก็ตัวได้แต่อย้างกลัวแบบนี้กลัววินาที่อาจะเกิดขึ้นตอนก่อนตายใช่ เริ่บินตกก็ชนหรือเป็นโรคที่อ่าหนักๆเนาะก็ทรมานหรือยากอันนี้ความกลัวขณะก่อนที่จะตายแต่ก็มีบางคนกลัวขณะกลัวถึงมันตอนนี้ยังไม่ตายมันถึงกลัวนะถ้าตายไปแล้วมันจะกลัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เกือบคือกลัวว่าตายไปแล้วมันจะไปไม่ดีอืมก็กลัวคล้ใยๆกลัว ตัวควบคุมที่ต่อไปที่ที่จะไ่เกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้คือตั ว, วตัวอนาคตอนาคแต่ถามว่าเนี่ยเราจะทำไงเมื่อคงจะหายตัวหายตัวในเรื่องก่อนตายหายตัวในเรื่องหลังการตายจะทำไง เออ มันมีบางอย่างตกอยู่ประกาผมไม่เคยหายไปทีน่ะทีจะไปไอ้ทีจะอืมก็ไม่รู้อะไรน่อแต่มางทีมันก็กิดเลยในธรรมชาตินะบางทีเราเคยตกใจไหมบางทีมันก็ตกใจแต่มันแป๊บหนึ่งนะแต่ถ้าใครมีสติดีกว่ามันแป๊บหนึ่งที่ตกใจหลังจากนั้นก็มันก็ไม่มันก็พอละมันก็อยู่ได้แต่บางคนถ้าจิต จิตอ่อนก่อคือตกใจแล้วก็แบบมันก็จะมีแรงตั่ดที่มันกัวต่อไปยาวเลยนะมาว่าบางขณะที่อย่างเช่นเอตกหลุมากาศอาจจะทําให้คนตกใจในเบื้องต้นแต่มันมันจะตันต่อหรือเปล่านี่ก็ขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละคนนะมามานะมาว่าน่ะเหมือนคนกลัวเข็มอ่ะยังไม่ฉีดก็กเจ็บแล้วคือว <c oughs> ่าที่จริงอาจจะเจ็บแค่ตอนที่ฉีดนิดนึง ต่างกันแ้นมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรไปมากเหมือนกับเจ็บตอนไปนิดนึงแต่แต่ความกลัวของเรามันก็มันก็ทุกข์มันก็นกเจ็บตั้งแต่ก่อนที่เจ็บเป็นนะขณะที่เป็นก็หนักกว่ า, กวาปกติแล้วขณะที่เป็นไปแล้วก็ยังยังทรงความทารมานไปมากกว่าคนที่ดูใช่ไหมมันก็ทําไงล่ะเราถึงจบความกลัวจะหายไปได้ กันมาว่าแบบนี้นะก็<ม>เปลี่ยนใช่ไหมกลัวก็เปลี่ยนมารู้สึกตัวมันก็ไม่กลัวอาจจะเผลอกลัวเหี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมารู้สึกตัวมันก็ไม่กลัวนะมาถึงถ้ากลัวเพราะความวิตกกนะมันยังไม่เกิดตอนนั้นเครื่งบินก็เออมันกลัวอะไร ก็เห <c ười> ็นใจแต่ก็กลัวอยากเห็นใจก็กลับมารู้สึกตัวก็ดีนะขนาดนั้นตัวบินก็เป็นเวลาเรื่องสติใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จะกลัวยาวกลัวยาวไปเลยนั่งสองชั่วโมงก็กลัวสองชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้านั่งสองชั่วโมงมาว่าเปลี่ยนกลับมาได้บ้างอย่างน้อยหน่ะอาจจะกลัวชั่วโมงหนึ่งไม่กลัวชั่วโมงหนึ่งก็ย่างดีนะใช่ไหมก็เปลี่ยนกลับมา แม้แต่เวทนาทางกายมากๆมาก็เหมือนกันถ้าถ้าเราพยายามมีสติมาบ้างมันก็มันต้องผ่อนมาบ้ามันต้องผ่อนบ้างผ่อนนี่มันแบบอ่มันก็คงทุกน้อยลงบ้างทางกายนะแต่แต่ทางใจนีมันก็มันก็เห็นผลได้ชักว่าเนี่ยนี้แล้วถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆมาว่าเราก็จะมั่นใจว่าถ้าเราตาย ก็ตายดีได้หรือว่าคบภุมก่อนตายเกิดหนังจะตายก็มั่นใจว่าเขาจะไปดีได้เนีเพราะว่ามันเคยฝึกมาก่อนหรือว่าถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆความไม่ดีต่างๆมันก็เราก็จะเผิดทําน้อยเผลอทำน้อยลงต่างๆเมื่อเราเปิดทําน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าในชีวิตที่ผ่านมาเราทําชั่ว น้อยๆไม่มากนะมันก็เสริมควสบายใช่ไหมเจ้ากรรมนายเวรก็คงไม่เอาอะไรเป็นมากแต่จริงเขาไม่เจ้ากรรมนายเวรจริงนะ ม, มันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่สอนสอนรุ่นต่างๆครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่ค่อสอนเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเราไปคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นตัวเป็นตนแต่จริงวุฒิท่านสอนว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรเกิด แล้วกรรมก็คืออะไรก<น>็คือการกระทำของเราการกระทำของเรามไม่ได้เท่ากับในเรื่องที่เขาเป็นตัวตนรูปร่างอะไรหรอกมันก็คือผลของกรรมของเร า, นะานัแน่ค่ะแล้วที่ผมว่าบางคนคี่โกหกาดกันแล้วก็คาดหน้าจะไปเอามานอะไรเป็นรักกับตางร เทวทัตมันก็ไม่ได้มองเป็นเรื่องเจ้ากับนายเรนะมันอาจจะเป็นมันก็อาจจะเป็นความคิดอย่างของเทวทัตตัดคิดตัดข้าโดยเจ้าแต่ถ้าเราถ้าเรามองว่าเจ้าเจ้ากับนายอะไงเขาสู่กว่าเราเจ้ากับนายเรแต่ว่าเราเป็นคนตัดของเขาใช่ไหม เมื่อเมื่อเราเป็นคนต่ำเรา เ, นนเราก็ไปขอขอให้เขาอย่าทําอะไรกับเรามายว่าคนะือถ้าสรีติกแบบนี้ยมันตื่มองว่าเจ้กรรมในเป็นสิ่งที่อยู่เหนือเราเป็นมีอำนาจมากกว่าเรามายว่ามันมองเคียงแบบนะี้ยแต่ถ้า ม, มองเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมันไม่ใช่เรื่องที่มันมันอยู่เหนือนเรานะแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องที่เราก็แค่ยอมรับผลที่ <S <S ขเขาเกิดขึ้น อาจารย์พูดเป็นเป็นความคิที่าวหามากว่าพูดอย่างนี้แปลว่าเราเชื่อในใาใช่ค่ะคือไม่เชื่อว่ามีสิ่งอะไรที่มีอำนาจเหนือปกว่าเหนือกว่านะคใช่เพราะว่าเห็นคนที่ไปทาบุญให้เจ้ากรรเนยมันเหมือนเราไปขอขออยากทำอย่างนี้อย่างนี้กับเราเหมือนเราอยู่ในอาณาของเขาแล้วแต่เขาจะ เมตตาเรารู้เปล่านะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนเราไปขอร้องคนอื่นแต่จริงเราทำบุญเราต้องทำเพราะว่าเราเห็นประโยชน์ในการทำใช่ไมไม่ใช่ทำบุญเพื่ออย่างอื่มันจะปยสุยใจกว่าแล้วที่สวดคนต์วอนช้ามอนเย็นเสร็จเราจบแผ่เนี่ยคือคือไม่ได้แผ่เพื่อของความการุณาแต่แผ่เพราะว่า แฝงความตื่นหาของเราออกไปไม่ไม่ได้ขอความเมตตาแต่ว่าแฝงความเมตตาของเราออกไปความพัฒนาดีของเราออกไปให้ให้กับคนอื่นนะ <c oughs> เหมือนเหมือนเราเ ห, เหมือนต้นไม้ที่แก่ต้องเงาให้ความร่มเย็นในขอบเขต ท, ที่มันไป็นลมพถึง้นนะจิตของเราต้องเหมือนกันที่แผ่เมตตาออกไป ก็ให้ผนที่กยู่ในใตัวเราเขาได้รับรู้เขาก็รับรู้ถึงเมตตาของเราในจริงยิ่งเราแผ่เมตตาไปมันก็เหมือนมันน้ํำก็มันออกมาจากตัวเรากว่าตัวเราก็ย็นแล้วเราก็มีความสุขไปอยู่ในใจเราจะมีความสุขแต่มันก็เป็นการช่วยในจริงบทแผ่เมตตาบางส่วนก็ช่วยให้เราเห็นความจริงว่าธรรมัาสตร์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ใช่ไหมเพื่อนร่วมทุกข์ เป็นเรามีปัญหากับใครนะทะเลาะกับใครเราเห็นไหมเราเองก็ทุกข์ตอนที่มีปัญหาตอนที่เราโกรธเขาเองก็เหมือนกันเขาเป็นทุกข์เหมือนกันนั้นทุกคนก็เป็นเพื่อนรวมทุกข์ถ้าเราเมองในแง่เนี้ยมันก็จะเ่องเขาก็เขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เราจะทําให้เราก็ทุกข์น้อยลงเขาก็ทุกข์น้อยลงเขาจะหาเหนทางที่ที่มันแบบไม่ เ, เพิ่มทุกข์ให้กับ ก, บบกนันและกันเลยนะคะ แต่บางทีพอเราโกรธเราไม่พอใจเราจะตัดใจถ้าเขาทุกข์เมั้ยตัดใจถ้าเขาได้เจอกับใครที่บ้านนั่นนี่เหมือนมันพอเราโกรธมันก็เลยไปตัดใจในความที่คนอื่นมันก็เลยไม่มีเมตตาแต่ถ้ามีเมตตาไม่ว่าคนนั้นจะเคยทำอะไรกับเราไม่ดีก็ตามแต่เราก็ไม่ได้มีจิตที่แต่เราคิดว่าตัดใจที่เขาเจอคอามทุกข์นะ มัมีแต่เห็นใจโศมสารเขาที่เขาเจอแบบนั้นแม้บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องคือเอ า, อาง่ายๆเหมือถ้ามีใครมาทําอะไรกับเราแล้วตูงเขาต้องโดนปา่าต้องติดคุกเลยนะคนที่มีธมรรมะจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกสัใจอยู่ว่าอืมน้ําหน้าเลยนะแต่ก็คือแต่เราก็ยอมรับตามตามกฎของสังคมคือเขาต้องปา่าต้องติดคุกอะไรก็ ก็ก็ยอมรับว่าเขาตํานรับสมองฟันั้นแต่ไม่ใช่รู้สึกสะใจที่เขาตํางแบบนั้นก็จะรู้สึกว่ายังเห็นใจยังสงสารในแง่แต่ไม่ได่ไปแทรกแซงกระบวนการ น, นะแต่แง่ว่าเขาอยากให้เขาไปกลับตัวกลับใจเป็นคนที่ที่จิต ด, ดีขึ้นอในพวกในอะกลับมาก็ให้ให้ประสบชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะจิตก็จะคิดเป็นแบบนั้น พรถ้าจิตที่คิดแบบนี้มันจะมีความสุขแต่ถ้าจิตที่คิดแบบอ่าบางทีเรารู้สึกตัดใจบางคนทั่วไปคิดว่าตัดใจคือความสุขนะแต่จริงมันมามองเป็นความทุกข์มากกว่ามันจิตที่คิดไปแก้โทษคนอื่นจับผิดคนอื่นนั่นนี่คนอื่นมาว่าจิตมันทุกข์นะมันเลยไปพยายปมอง คนอื่นในแง่ไม่ดีงั้นอย่างนี้หรือเราเป็นนินทาคนอื่นอ่ะเหมือนจะสนุกนะแต่ถามว่าเอาง่ายเราอยู่ใกล้ๆคนที่ชอบนินทาเรามีนความสุขไห ม, ไ ม, อ, หมอ่มามันนะแต่สังเกตไหมบางทีบางทเาีเราก็เริ่มการโกรธความเกตเข้าบางคนเราไม่รู้จักเลยนะโกรธเขาชา้ิไหนกันไปเย อ, ย อ, ยอะใช่ไหมมันมันก็จริงแต่มัน มันก็เพิ่มโทสศัทในใจเราเพิ่มความหลงในในตัวเราก็ใไปใช่ไหมน่ะบางคั้งมันก็เป็นแบบเนี้ยทีนี้ก็ท่านท่นก็ควรวางใจกับคนที่เอาไม่ชอบด้วยอาการเฉยๆแต่ว่ามันมันเฉยไม่ได้ครับก็เกิดทีอ่านไม่เป็นก็คือแก่รู้ทันก็พยายามเปลี่ยนกลับมาไม่ใช่วัดหน้าไม่ใช่วัดหน้าด้วย ต้องไม่คิดอย่างนี้ต้องมีรู้สึกนี้ไม่ใช่ว่าเราไปห้ามแต่เราให้รู้ทำแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาให้รู้สึกตัว <S <S เปลี่ยนมาให้รู้สึกตัวมันก็มันก็จะทําให้ใจเราลังเป็นปกติถ้าเราสุข ด, ดีแล้วมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ไหลไปทางทางไม่ดีมันก็จะอยู่ปกติหรือว่าถ้าจะคิดมันก็จะกลายเป็นด้านบวกด้นานสงสารด้า น, นให้โอกาสด้นานอะไรนันไป รวมทั้ง ส, สง่ารคนที่หนีทางคนอื่นเลยนะคือ <c oughs> สงสารผมก็อยากจะช่วยบางคนนะแต่บางคนก็ช่วยไม่ได้ก็ <c oughs> สงสารไปก่อน <c oughs> ช่วยได้จะช่วยช่ยไม่ได้ก็ก็เอาไปก่อนทำไม <c oughs> มันก็เป็นเรื่องที่บางทีเราเราคิดว่าจะทําได้จริงมันก็คิดไม่ออกนะ เพสาะมาเองก็ก so ่อนนั้นนนั้ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบนี้แบบนี้นะบางทีก็ถ้าคนไหนเราเป็นชอบเขาเขามีความรสึกแล้วก็มีแต่ใจเหมือนกันแหละเราก็ไม่หรือคนไหนทำเราว่าเราเองค่ะเราเราก็ตื่นให้พอใจอยู่กันแหละเราก็ตื่นล้วก็รู้สึกวาก็อยากจะให้เขาเจบ้างก็มันก็มีแบบนั้นแต่พอเราทํางานไปเรื่อยมันก็ มันเปลี่ยนตอนไหนก็ไม่รู้ตัวเรานะแต่แค่รู้ว่าไอ้ที่เคยเป็นมันมันลดลงไปคือหางไปไอ้ที่ไอฝั่งนี้ที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้มันก็ค่อยเป็ น, นา ม, มาว่าเป็น อ, น อ, อันิจภาพที่เกิดจิกการที่เร า, ป า, า, า, า, า, เ, ารเป็นตุกันเจอสิ่งต่าะๆเวาท่านผาเห็นมาว้าก็คงไม่ได้ พวกผมมากระชงเที่ยวมีคนอ่านเงยอะเยะก็ mm hmm. ะจมาเยอะนะฮะแต่ปีหลบเรียนบาดีหรือฟังสุบาอาจาย์ทีมาบ่านบางคนที่เข้าวัดน่อยๆ่ันก็ต้องฟังเงยอะมากแต่อาเจะทำได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่บางคนก็อาจจะไม่ไม่ต้องใช้เวลามากก็ได้นะถ้าเขาถ้าเขามีพื้นฐานหรือถ้าเขามีปัญญามากที ทำไม่นานก็ก็จิตใจเปลี่ยนแปลงทันเจ็บก็ก็มีดังนั้นที่จริงถ้าเราไปมองเรื่องอย่างอย่างอดีตชาตินะครับเราเรามาก็มองนะมองว่าเขาชาติที่แล้วหรือชาติเมืก่อนเขาก็เคยทำมาแบบนี้มา่ก่อนเพาเกิดมาชาติใหม่เหมือนน่ะเวนกรรมยังไม่หมดก็เกิดมาเราเห็นนั่นเด็กบางคนเกิดมาเหมือนแบบจิตเขาแบบ ดูแบบดูเหมือนผู้ใหญ่อยู่นี่ก็มีนะใช่ไหมเป็นเด็กที่มีแบบดูมีเหตุมีผลเป็นคนที่ที่พูดแล้วก็เหมือนเข้าใจอะไรได้ดีนะเป็นคนเหมือนใจเย็นมาตั้งแต่เด็กๆเกลยนะข้อเสียที่เขาเคยทํามาก่อนแต่บางคนบางคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังเป็นเหมือนเด็กอนยะ่้นให ก็อันนี้เป็นเรื่องทะไลเรื่องเรื่องความเห็นเนาะเป็นเรื่องทฤษฎีเป็นเรื่องความเห็นก็อย่าก็ค่อยๆปรับไปนะปรับจากการภาวนาภาวนาเนี่ยแหละค่อยๆปรับะความคิดความเห็นไปแต่ไม่ใช่การพยายามจะคิดให้เห็นแบบนี้แต่ค่อยๆค่อยๆปรับไปะก็ให้ไี ปฏิบัติต่อนันในชีวิตประจำวันของเราจะทำให้มากที่สุดเข้าที่ทำได้แล้วก็จะเกิดผลจะเกิดผลให้เราสัมผัสได้จริงๆงนะครับ